พระเถระของไทย เอ่ยชื่อคนทั่วไปอาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าใดนักครูวิมลกุณากรคนทั่วไป ถ้าทุกคนต่างฝ่ายหา หลวงปู่สุขจึงนับเป็น แม้ว่าท่านจะ หลวงปู่สุขต่อมาลูกหลังได้ใช้เดิมท่านชื่อเดือน 4 ขึ้น 8 ค่ำปีวอก 2390 ที่ซึ่งปัจจุบันคือมะขามเฒ่าซึ่งปัจจุบันคือ เป็นบุตรของเปคน 9 คนได้ 1 หลวง 2 นาง 3 นาย 4 นางไข 5 นาย 6 นาย 7 นาง 8 นาย 9 หลวงพ่อปลื้มปัจจุบันยังมีลูก หลวงปู่นั้นท่านมีลุงคนหนึ่งแฟงตั้งบ้านเรือนอยู่ ลุงแฟนก็เลือกเอาคนโตหรือเรียก นู่นหลวงปู่สุขอยู่ในๆน้อยๆโดยยึด บริเวณข้างเมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางหลักเข้าวัด เมื่อการคมนาคมทางบกเจริญขึ้นการคมนาคมทางบก จน 18 ปีก็ได้ภรรยา หลวงปู่ท่าน 22 ปีท่านได้ลาไปอุปสมบทณคลองบังเคนตอนล่างส่วนคลองบังเคน ทั้งปุ้นบริเวณจังหวัดปทุมธานีการอุปสมบท จากไชน่าถึงกรุงเทพฯก็กินเวลาอย่าง ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมวินัยเป็นอย่าง หลวงปู่สุขท่านได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากหลวง เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยๆจากสำนัก จึงกราบพราอาจารย์กลับบ้านเกิดของท่านโดยมาพักอยู่ที่ <โ อ. S 1> ในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นโรงวัดที่ท่านมีชีวิตอยู่และมนดกปรากฏให้เห็นอยู่ ส่วนการอบรมสั่งสอนนั้นการอบรมสั่งสอนนั้นท่านได้ หลังจากนั้นต่อมามารดาของท่านที่วัดปากคลอมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทได้ชราภาพลงตามอายุไขและความเจ็บไข้ก็มาเยือนอยู่บ่อยครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในบิดามารดาของท่านจึงได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม และได้อยู่จําพรรษาปีแรก แต่ทว่าสภาพของวัดอู่ทองขนาด พอเป็นแค่อยู่ วัดป่าโครมมะขามพระบิดาแห่งราชนาวี ซึ่งเป็นพระราชโอรสใน 28 นั้นเป็นพระคุณ เยี่ยมสวยในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วได้เสด็จ มีชื่อสมเด็จบรมจุนทร์มีชื่อเจ้า 5 แต่ที่รักเหลือทรึกอาจารย์ยืน เป็นเป็นศิษย์ที่มีความรู้ บันทึกจากคนเหนือกว่าสิทธิ์คนใดคน กาลต่อมาเมื่อกรมหลวง สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์นั้นจะมีมากมาย โดยเรือลำนี้เป็นเรือมีประทุนกว้าง ท่านจะถวายเรือสมต้นมีประทุนแล้ว เป็นต้องใช้ฉัญญะก็ไม่รั่วพวกจุดนี้ตรง ใช้วิถีชีวิตกลางแจ้งพระองค์ ซึ่งมีหลักฐานหลายประหัดในสมุดๆซึ่งนอก กวรกายและคลุกคลีกับราษฎรไป ศาสนะที่คงเหลือที่ยังรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ประจักษ์พยาน หลั่งทรงสอดแทรก พระองค์ท่านเขียนเป็นภาพลิงใส่ พระองค์คงจะท้อถอย เน้นความรู้สึกให้ และในงานนี้เองสุมรัศมีออกแจกเป็นของ ที่สุนัขกัดไม่เข้าซึ่งฉะนั้นการ จะต้องระวังเรื่องสุนัขกัดให้ จึงบังเกิดความๆสมัยก่อนก่อนพระวัดปาก แล้วท่านมักจะถามว่าจะท่านจะให้พระครบทุกคนขอ จึงค่อยๆแผ่จาก โดยเฉพาะอย่างอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักวัดฝากครัวมะเถ่ คือในสมัยนั้นถนนหนทาง<ด> ช่วยป้องกันขโมยขโจรที่ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วย ที่ท่านทําพระเครื่องรางของถันดินน้ําลมไฟเป็น เป็นบ่อเรียกว่าแห่งอํานาจที่มุ่งหมายให้เกิดผล ด้วยการใช้พลังเช่นของให้เป็นตัวต่อตัวแต่ถีบให้เป็นกระตา อนุตนการผูกพยัญชนะ ที่จริงแล้วใบมะขามก็ จากหนังสือพระกฐิน 2519 เรื่องพระใบมขาม บุคเขียนอดีตเป็นพระมหา 2459 ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่ากล่าวไว้ตอนหนึ่งทองหน้า ให้ลงคถาบางคนขอ จะให้หลวงว่าอะไรหลวงพ่อบอกว่าราชาลีติบางคนขอเมตตาข้าพเจ้า คุณขอจึงบอกขอเมตตาอย่างเดียวเขบเต้เต๋อ ข้าพเจ้าจึงบอกว่าหลวงพ่อ ข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความ ทั้งที่ข้าพเจ้าฝืนๆข้าพเจ้า ไปสอบถามภิกษุๆ หลวงปู่สุขท่านเป็นผู้มีเสียง หลวงพุฒสุธได้มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อปีกุน คุมสุขอยู่ 7 วัน 7 คืนจึง ผู้ ดังอื่นคือเห็น 2545 ทําให้ประชา จึง ขอส่งท้ายท่านผู้ชมด้วย เกษโรนามติปฏิสิทธิ์ที่มีอิหิอโหนะโมพุทธายะคถา พุทโธภควาติมะอะอุ